ขอนอบนอบ้อมต่อคุณพระตนตาตไคร้ครกาสเพื่อนสธรบมิทุกท่านเจริญธรรมไม่ทีและญาติธรรมทุกท่านในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีอยู่365วันเนาะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเราจะมะีสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตเรามากมายจนเราแทบจะจำอะไรไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรา ไม่มีชีวิตของเราเนี่ยมีเวลาใดบ้างเราเคยสังเกตตรงนี้ไหมชีวิตจริงๆเรานะ่ยมีแค่ขณะนี้เท่านั้นเองนะคือขณะเนี้ยขนาดนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองนะมันไม่มีอานาคตหรือไม่มีอดีตเนาะไม่มีวันพรุ่งนี้หรือไม่มีเมื่อวานเพราะสิ่งที่เป็นอดีตหรืออนาคตนั้นนะมันอยู่ในแค่ความคิดเราเท่านั้นเองนะ อดีตก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะ ม, นนนว ม, นะนมันเป็นแค่ความจำนะสังเกตดูอดีตเนี่ยมันเป็นแค่ความจําเราเท่านั้นถ้าเราระลึกมันก็ขึ้นมาอ่านะถ้าเราไม่ระลึกมันก็ไม่ขึ้นมาเนอะแล้วในสุดมันก็จะหายไปจากความจําของเราอนาคตก็ยังมาไม่ถึงนะแต่เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเราก็คิดไปอนาคตจะทําอะไรนะอ่า หรือไม่ก็วิตกกังวลไปกับอนาคตหรือไม่ก็มีความสุขไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง น, นั้นเป็นแค่ความหวังเป็นแค่ความคิดเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความจริงคืออะไรความจริงก็คือขณะเนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้นะ่ยแล้วความจริงในขณะนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นจะมีอยู่แค่2ออย่างเท่านั้นคือเราหลงหรือเรารู้เท่านั้นเองเนาะมันไม่มีมากไปกว่านี้เลยก็คือขณะนี้ถ้าเรา เราหลงเราก็ไม่รู้เนาะหลงก็คือหลงอย่างไรหลงก็คือไม่รู้ว่าขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่นะกายทำอะไรอยู่เรารู้ไหมน ใ, ใจใจทำอะไรอยู่เรารู้ไหมจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นความผิดเรานะที่เราไม่รู้มันไม่ได้เป็นความผิดเราเพราะว่ามนุษย์โดยทั่วไปก็9กเ็นี่ยก็จะหลงเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วมันจิบเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเราปล่อยให้ความหลงเกาะในใจเรานานๆไปนะมันก็เป็นสาเหตุของความทุกข์ตามมายิ่งมากมายนะเพราะว่าความหลงนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันเป็นการทําให้จิตเราไปปรุงแต่งไปในลมต่างๆนะเพาะเรารู้ไม่ทันมันจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตความคิดได้เรารู้ทันความคิดบ่อยๆนะเราก็จะเป็นผู้ดูความคิด เป็นผู้เห็นความคิดไปนะตรงนี้เกิดจากการที่เราสามารถสังเกตความคิดได้แล้วเราก็เห็นความคิดไปบ่อยนะคือรู้นะในการที่เขาเกิดขึ้นของความคิดนะลหลังนั้นเขาก็จะไม่ต่อเนื่องยาวนะเพราะเราจะเป็นผู้ดูไปเราไม่เป็ น, ปนผู้เป็นผู้คิดนะเหมือนที่ลวงพ่งอหลวงเทศบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเนี่ยมันเทคนิคนสั้นๆแค่นี้ตรงนี้มันเป็นการออกจากทุกข์โดยตรงนะ เพราะว่าความทุกข์มันเกิดจากความปรุงแต่งของจิตใจที่มันรู้ไม่ทันแล้วมันก็ไปปรุงแต่งเป็นความรักความชังความโกรธความเกลียดความเศร้าความเหงาความกลัวความมิจฉาเลศยาความหึงหวงความน้อยใจต่างๆมากมายเนาะมันมันเป็นสิ่งว่าเรารู้ไม่ทันมันเขาเรียกว่าปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนะมันเกิดจากการที่เรารู้ไม่ทันความคิดประเด็นแรกเท่านั้นเองแต่พอเขาเริ่มคิดปุ๊บแล้เราเริ่มเห็นปุ๊บ มันจะเริ่มหยุดนะมันจะไม่ไม่ไปไกลมันจะไม่ต่อเนื่องยาวนะนะการที่เราเราหลงไปมันไม่เป็นความผิดแต่ประการสําคัญเรารู้ไหมว่าเราหลงเนาะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญกว่าใช่ไหมเพราะหลวงพ่อเทียนจึงบอกว่าไม่ห้ามความคิดแต่เมื่อเขาคิดไปแล้วเรารู้ทันไหมนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ไม่ได้ห้ามว่าเขาหลงแต่เมื่อเขาหลงไปเรารู้ทันไหมตรงนี้คือประเด็นสําคัญในการที่จะกลับมารู้นะ แต่การที่เราจะกลับมารู้ได้บ่อยๆเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ยากมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะ uh, เพราะว่าการที่เราจะตั้งใจเขากลับมาก็ไม่ได้เพราะนั้นเลยจะไปคอยเพ่งเอาเอาเอมือความคิดเราต้องคอยเพ่งเขาให้รู้ทันให้เขาหยุดคิดอันนี้เป็นประเด็นที่มันไม่ถูกต้องอันนี้คือการไปบังคับไปกดข่มเข า, เาไปทําให้เขาอยู่ในความต้องการที่เราต้องการจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราจะไปกดขม่มจิตใจเราทําให้เขามีความทุกข์ คันหะลรมเทียนก็ให้กลับมารู้ในปัจจุบันขณะนี้แหละว่ากำลังทําอะไรอยู่รู้ง่ายๆในทางร่างกายเพราะร่างกายมันเป็นส่วนที่ว่าเราไม่ได้ไปเพ่งเขาแต่เรารู้ไปตามที่ก็เป็นตามความเป็นจริงเช่นนั้นแต่จิตใจเราไ ป, ไปคอยเพ่งอย่างนั้นไม่ได้นะไปคอยรู้เต็มที่ร 0% อกันไม่ได้เพราะว่ามันจะไปเพ่งเอาแต่จากร่างกายเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเราก็ได้หไหมยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดขู้แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังฆาติ อุจจาะปัสสวะต่างๆเราก็ค่อยรู้ไปแต่คดนนีการที่เรารู้มันเป็นช่วงสั้นๆมันไม่ได้ต่อเนื่องกันยาวเนาะอย่างเราจะรู้การแปลงฟันก็รู้สัก5นาทีมันก็จบแล้วอ้าวแล้วจะไปทําอะไรต่อนะมันก็หลังนั้นเราก็ไปกวาดบ้านสัก10บนาทีก็จบแล้วนะบางทีกวาดบ้านเสร็จเราก็านั่งเฉยๆมันก็ไม่เป็นการต่อเนื่องกันนะเพราะเพราะนั้นวิธีการลงมทเรียนก็คือให้เรารู้ต่อเนื่อง เป็นลูกโซ่นั่นเองนะก็คือให้เราจิตเราเนี่ยมีมีงานทำนะเพราะถ้าจิตไม่มีงานทําเช่นเรานั่งเฉยเฉยเนี่ยประเดี๋ยวจิตก็คิดไปละคิดเรื่องโู้นเรื่องนี้นะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคิดไปหรือบางทีเราก็ไปช่วยมันคิ ด, ดต่ต่างหาเนาะอันนี้มันเป็นตัวหลงทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าความคิดมี2 อ, อย่างคือความตั้งใจคิดแล้วก็ความที่เขาไม่ตั้งใจสิ่งนี้ตั้งใจไม่เป็นไรและไม่ไปยุง่งแต่สิ่งนี้ไม่ตั้งใจคือตัวหลงนะ เพาะจิตเราก็ถ้าเรานั่งนิ่งๆมันก็จะหลงไหลไปในความคิดมากมายอันนี้เขาเรียกว่าจิตไม่มีงานทำนะเมื่อไม่มีงานทํามันก็เด็กอะ่ะพอเด็กไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลไม่มีบ้านให้อยู่ก็จะเที่ยวตะลิดเปิดเปิงไปไกลๆหรือเหมือนกับวัวนะวัวถ้าเราปล่อยกลางทุ่งนา ม, มันก็จะไปไกลาหาตัวไม่เจอแต่ถ้ามีอะไรผูกวัวนิดหน่อยนะหรือมีอะไรให้เด็กอยู่กับบ้านเป็นเครื่องเล่นเขาก็อยู่ได้นะเขาก็ไม่ไปไกล เพราะจิตเราถ้าไม่มีเครื่องอะไรให้เขาอยู่เขาก็จ ะ, ะหลงไหลไปในลมต่างๆแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปทั้งวันเพราะนั้นเราก็ให้จิตมีงานทำํำโดยการกลับมารู้ร่างกายนี้แหละเป็นสิ่งง่ายๆนะรู้อเช่นรู้การขึ้นไหวสืสืบจังหวะหรือเดินจงกรมนะสิ่งต่างๆนะั้นเป็นเครื่องที่ให้เรามีจิตมีเครื่องอยู่พอจิตมีเครื่องอยู่เขาก็จะอยู่กับเครื่องอยู่นี้ได้แต่เขาก็อยู่ไม่นานนะเดี๋ยวเขาก็คิดไปล ะ, ะคิดไปเขาเนี่ย จากการที่เมื่อก่อนที่เขาคิดไปยาวนะแต่ว่าเมื่อมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วเขาก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้คือปัจจุบันธรรมอย่างที่บอกแล้วว่าเรามีชีวิตอยู่แค่ขณะเดียวเพราะฉะนั้ขนขณะเดียวเนี่ยนละเรารู้ได้ไหมจังมะถ้าเขารู้ปั๊บเนี่ยนี่มันจะเกิดตัวรู้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวเขาหลงปุ๊บเนี่ยจากการที่เรารู้อยู่ประจําเนี่ยเขาจะกลับได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างตัวรู้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะหลงไปยาว เพรา ะ, ะนั้นการที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเครื่องอย่างหนึ่งที่ว่าให้จิตเขารู้นะพอจิตเขารู้แล้ว เ, เขาก็หลงไปเขาก็กลับมาได้แต่ถ้าจิตเคขาไม่รู้เขาจะหลงไปยาวเลยเนาะเพราะนันการที่เราเคลื่อนไหวต่างๆเราเนี่ยเป็นเครื่องให้จิตมีเครื่องอยู่เป็นเครื่องรู้ของจิตเขาเรียกว่าเป็นวิหารธรรมน ะ, ะพอมีวิหารธรรมแล้วเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นได้เร็วขึ้นนะคำว่าตั้งมั่นไม่ใช่ว่าเป็นการที่เรียกว่าจิตสงบ นิ่งหรือมีสมาธิแต่ว่าจิตเนี่ยขณะนั้นรู้อยู่ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินกําลังนอนกําลังเคลื่อนไหวกําลังสร้างจังหวะนีจิตจะมีเครื่องรู้ขึ้นมาในตรงนี้แล้วเขาก็จะรู้ในความเป็นกลางในตรงนั้นความเป็นกลางก็คือหลงได้นะไม่ใช่ว่าถ้าไม่เป็นการนี่ต้องคอยบังคับเขาคําคว่าความเป็นกลางก็คือความเป็นจริงในขณะนั้นว่าเราไม่ได้บั ง, บงคับอะไร เราสามารถที่จะหลงได้แต่หลงแล้วเขากลับมาได้ไวนะอันนี้เป็นครื่องพิสูจน์ได้เลยเราไปบัตมาตั้งหลายวันแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าเออจากเมื่อก่อนที่เราเคยคิดยามันจะเริ่มสั้นลงนะมันหลงไปมันจะกลับมาได้นะอันนี้จริงๆแค่นี้เท่านั้นเองมันไม่ได้ว่าเออฏปบัติแล้วต้องสงบต้องไม่คิดอะไรหรือต้องรู้ตลอดเวลานะก็คือมันไม่ได้ว่าต้องอต้องเผลอยาวๆหรือว่าต้องรู้ยาวๆแต่เป็นเครื่องที่เรื่อมันสลับกันเดียเด๋ยวหลงเดี๋ยวรู้ อันนี้ถูกต้องแล้วนะมันเป็นสิ่งถูกต้องแล้วก็คือจิตเนี้ยเขาหลงได้แต่เขาหลงแล้วเราก็รู้นะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าหลงแล้วรู้บ่อยๆมันเป็นการไปเขยา่าท่านรู้ให้เกิดขึ้นมาจิตก็จะเกิดการตื่นตัวที่จะรู้ได้เร็วขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันรู้ได้บ่อยนะมันไม่ใช่รู้ยาวๆแต่มันรู้ได้บ่อยจากการที่รู้บ่อยๆนี่แหละมันเหมือนกับการปั๊มลมนะปั๊มลมเนี่ยเขาเราปั๊มบ่อยๆมันก็จะ ลดรถยนต์นะถ้ายางมันแบรนเนี่ย Palm, มันเหมือนกับมันหลงมากนะมันก็หลงมากมันก็วิ่งไม่ได้นะ <construction S 2> หรือว่าปั๊มเต็มที่เลยอัดก็ไปเต็มที่มันก็ระเบิดนะเพราะฉะนั้นการ ints. ที่เราปั๊มลมบ่อยๆเนี่ยมันมันจะกํลาลังดีนะมันไม่ได้อัดทีเดียวเต็มที่มันจะระเบิดแต่เราก็ปั๊มไ ป, ไปบ่อยๆนะยางก็จะเป็นกําลังดีแล้วก็จะวิ่งไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราหลงบางรู้มากเนี่ยเป็นการขยับท่านรู้นะพอท่านรู้มันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะสามารถทํางานได้เองมันจะรู้ รู้ทันความคิดรู้ทันอิรโบท ต, ต่างๆได้โดยตัวเขาเองนะการที่เรามาอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียกว่าให้เรากายเคลื่อนไหวใจรับรู้ใช่ไหมใจก็จะรับรู้การเคลื่อนไหวของกายไปจิตก็จะมีความเคยชินหรือมีทักษะในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะพอเขารับรู้ไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะไม่ได้ไปไกลแล้วเขาจะค่อยๆรู้ทางกายไปตัวเองนะมันจะเห็นกายเคลื่อนไหวหรือว่า กิจกรรมใดๆที่เราทําจากเมื่อก่อนที่เราเคยหลงมาตลอดเขาก็เริ่มรับรู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะพูดง่ายๆอย่างเช่นเราเดินนะ 99.99 99นะมันจะเป็นการหลงเดินตลอดนะเดินด้วยความหลงไม่รู้ว่ากํกาลังเดินนะครั้นี้เราแค่รู้การเดินเท่านั้นเองนะมันเป็นสิ่งถูกต้องเลยนะรู้ว่าขณะนี้กำลังเดินมันเป็นสิ่งถูกต้องแล้วซึ่งจริงๆเราก็เดินอยู่แล้วแต่เราไม่ได้รับรู้ในตรงนั้นไม่รับรู้ว่าการเดินเกิดขึ้นในในในตัวเรานะ คราวนี้ตรงนี้เรารับรู้ไปบ่อยนะมาจิตมันจะเกิดความชํานาญในการรับรู้มากขึ้นนะมันอีกน้อยขยับนะมันก็จะเห็นมันขยับคือมันมันเห็นนะมันไม่ใช่เราไปขยับแต่มันจะเห็นการขยับนะเห็นการเคลื่อนไหวของกายนะเห็นการเดินของกายนะเห็นการทําอะไรต่างๆของกายหรือแม้แต่มือเคลื่อนไหวก็เห็นการเคลื่อนไหวของมืออันนี้เราจะเมื่อก่อนเราเป็นผู้เป็นเราจะกลายเป็นผู้ดูนะคือมันจะเห็น มันจะเห็นกายได้นะเห็นเราเดินอย่างกลมแล้วก็เห็นเออจากเมื like ่อก่อนนี้เป็นเราเดินอย่างกลมมันก็เห็นแค่กายมันเดินอย่างกลมมันก็แยกเป็นผู้ดูนะมันเป็นผู้ดูมันดูมันไม่ใช่มันดูชิดๆแบบสมัยก่อนมันก็ดูห่างๆ้วมันก็ดูห่างๆมันได้แล้วมันก็กลายเป็นผู้ดูไปนะมันก็ดูการเคลื่อนไหวซึ่งตอนหลังมันก็จิตมันก็เข้าใจมันก็มันก็วางกายได้มันก็กายก็อยู่ส่วนกายจิตก็อยู่ส่วนจิตเนาะมันมันแยกรูปแยกนามได้ในตรงนี้เนาะนะ ตรงนี้มันก็เราก็เห็นในตรงนี้ได้ใช่ไหมอะไรก็กลายนว่าเออกายมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเนาะจิตเราก็เห็นเขาทำงานไปนะบางทีเราเดินจงกรมก็เห็นกายเขาก็เดินไปแต่จิตเขาก็คิดไปด้วยเราก็กลายเป็นผู้ดูไปนะเออดูกายมันเดินดูจิตมันคิดเออเรากลายเป็นผู้ดูดูกายเนะห็นกายดูจิตนะเห็นความคิดที่เขาทำงานเขาเองนะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นรูปเห็นนามไปในตัวนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจแล้วมันมันมันไม่ช้าในตรงเนี้เห็นกายเดินเห็นจิตทํางานเราเป็นผู้ดูเฉยๆเพราะนั้นในมันกลายว่าเรากลายเป็นผู้ดูไปนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้ดูไปเรื่อยๆนะเป็นดูอะไรก็ได้นะบางขณะเราก็เห็นกายบางขณะเราก็เห็นจิตซึ่งเขาทํางานของเขาเองมันไม่ใช่ตัวไม่ต้นบุคคลเราเขา ตรงนี้มันมันเป็นการที่เรียกว่ามันออกจากความทุกข์ได้แล้วนะมันมันเป็นการแยกในตรงนี้ได้อจากนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นอ่า ไ, ไปเรื่อยๆนะตรงนี้มันก็จะตรงกับที่หลวงพ่อกำเขียนบอกว่าให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นอ่าคราวนี้ยังสมัยก่อนก็มีนักปฏิบัติคนหนึ่งก็มันถามหลวงพ่อบอกว่าหนูหนูวันนี้หนูเครียดมากเลยหลวงพ่อคําเขียนบอกว่าให้ถามใหม่ให้ถามใหม่อ่า อย่างนี้นะถามให้ถามใหม่นะอันนี้ก็ถามยังไงดีนะก็เลยนึกได้วันนี้หนูเห็นความเครียดจังเลยลุงพ่อบอกโอ้นีใช้ได้แล้วน ะ, ะเพราะว่าการที่เราเห็นนั่นแหละถูกต้องแล้วเราไม่ได้เป็นผู้เป็นจริงๆมันเป็นการพลิกประเด็นนิดเดียวนะสังเกตดูไม่เป็นขั้นพลิกนิดเดียวหนูหนูวันนี้หนูมีความเครียดมาก กับวันนี้หนูเห็นความเครียดในมันพิกนิดเดียวจากการเป็นผู้เป็นมาเป็นผู้ดูนะตรงนี้ก็คือจิตเราเนี่ยสามารถที่จะพิกได้ทันทีออย่างวันนี้เราโกรธนะอเราโกรธเราขณะนี้เรามีความโกรธเกิดขึ้นมีใครมาด่าเรามานินทามาว่าเราแล้วเรารับรู้ในตรงนั้นจิตมันโกรธอันนี้เป็นผู้เป็นแล้วนะแต่ถ้าเราพิกจิตนิดเดียวว่าอเราเห็นความโกรธเราเห็นจิตมันไม่โกรธเราเห็นมันโกรธนะเราเห็นจิตมันโกรธ เนี่ยแค่นี้มันพลิกปุ๊บมันออกมาเลยนะออกมาจากขณะมีความโกรธมาเป็นผู้เห็นความโกรธเนี่ยมันพลิกแค่นิดเดียวแต่การที่มันพลิกมันไม่พลิกง่ายๆนะเพราะว่าเราไม่เคยฝึกมาก่อนเราก็จะมีความโกรธเป็นผู้โกรธอยู่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะมันไม่ใช่มันพลิกง่ายๆแต่จากการที่เราฝึกบ่อยๆเนี่แหละกลับมาดูมันบ่อยๆนะกลับมาดูความคิดดูกายแล้วในทสุดมันก็จะเป็นผู้เห็นพอหน่อยมันเราประสบอ่า ประสบการณ์ในขณะนั้นที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ทันรู้ตัวมีคนเข้ามาดา่าเรามาแสดงกิริยามันละญาติที่เราไม่ชอบนะหรือมานินทาเราเรารู้ปับ๊บจากเมื่อก่อนที่เราเป็นผู้โกรธมันจะพลิกกลับไปเป็นผู้เห็นความโกรธได้โดยอัตโนมัตินะโดยความเคยชินเพราะเราฝึกมันมาแล้วเนาะเพราะจิตเนี่ยเขาฝึกได้นะไม่ใช่ว่าเขาฝึกไม่ได้นะถ้าฝึกไม่ได้นะไม่มีใครเป็นพระหรหัสหรอกใช่ไหม นะแต่ว่าพระลหันก็มาจากผู้ที่เป็นปกติธรรมดาทั่วไปแล้วท่านก็ฝึกจิตจนท่านเป็นพระหันได้เพรา ะ, ะนั้นจิตท่านก็ไม่มีความทุกข์ในตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะท่านเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นเนาะ watching not being นะเพราะว่าถ้าเรากลับมาตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นผู้ดูผู้เห็นไปตลอดไม่ว่ากายและใจขณะอะไรเกิดขึ้นนะมันคือความหลงนะมันคือตัวรู้เนี่ยมันจะสลับกันไปแล้วเราก็จะเห็นความหลง เห็นความรู้ซึ่งมันไอตัวหลงและตัวรู้มันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีนะเราก็เป็นผู้เห็นทั้งสองอย่างนะเพราะฉะนั้นจิตมันก็เลยยังคลายอยู่ความยึดติดในความเป็นตัวตนเพราะเราก็จะเห็นว่าเออความหลงมันก็ไม่เที่ยงนะมันมาแล้วก็ไปนะความคิดมาแล้วก็ไปมันไม่มีอะไรถาวรเลยนะพะเราเห็นความคิดเราจะเบื่อความคิดนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอ่ามันมันคิดอะไรกันนักหนาคิดอะไรกันทั้งวันเราไม่ได้คิดมันคิดมันเองแท้เลยนะมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความคิด ก็เห็นอารมณ์ต่างๆที่มันไม่พอใจอ่มันมาแล้วก็ไปอ่าความโกรธก็ไม่ใช่ของเรามันไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราถ้ามันเป็นของเรามันก็เริ่มอยู่กับเรานานๆเนาะแต่นี้มันมาแล้วมันก็ไปอ่าความรักความพอใจก็เหมือนกันนะอยากให้อยู่กับเรานานๆมันก็ไปหมดนะมันไม <te> ่ใช่อะไรทั้งน <man> <to> ั้นเลยมันก็เลยเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมดนะมันใจมันก็เริ่มเป็นปกติเริ่มเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาคําว่าธรรมดาก็คือว่ามันไม่ได้ไปให้ค่ากับสิ่งใด นะไม่ใช่ว่าเออมันมีความพอใจมีใครมาชมเราเราเกิดความยินดีเกิดความพอใจนะอันนั้นมันมันก็หลงไปอีกแล้วนะแต่เราเห็นมันก็ธรรมดาเออใครมาชมเราก็เป็นธรรมดาในขณะเดียวกันใครมาด่าเราใครมาว่าเรามาทำให้เราไม่พอใจมันก็เรื่องธรรมดานะเพราะว่าใจมันไม่ได้ไปหลงในตัว น, นั้นมันก็เห็นเป็นธรรมดาการที่เราเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดานะั่นแหละมันมันออกจากความทุกข์ได้นะ คำว่าธรรมดาไม่ใช่เราไปห้ามใครว่าต้องอย่ามาชมเราอย่ามาว่าเราแต่เขาสามารถทำเช่นนั้นได้แต่เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่ามันมันทำให้เราดีใจเราเสียใจแบบสมัยก่อนนะแต่ถ้าเราสมัยก่อนเราจ ะ, จะไม่เป็นแบบนั้นเราเราจะรู้สึกมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นใจที่เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดานั่นแหละมันมันออกจากความทุกข์ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไปบัตรธรรไม่ใช่ว่าเราจะต้องถึงระดับใดระดับหนึ่งต้องถึงพระนิพพานหรืออะไรก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าเราเนี่ยออกจากความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยได้ไหมถ้าเราเออกจากความทุกข์ได้บ่อยๆมันก็คือถึงพระนิพพานแต่ลัณะกันะลักษณะอยู่แล้วนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้จิตเราความทุกข์น้อยลงนะถ้าจิตเราความทุกข์น้อยลงนั่นมันก็คือเราก็ใกล้พระนิพพานแล้วนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปรอพระนิพพานในชาติหน้ามันก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ถ้าในปัจจุบันชาตินี่แหละเรา ค่อยรู้ทันไปรู้ทันไปแล้วก็ความทุกข์ก็ว่าน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันเป็นหนทางที่มันใกลพิณิพานไปในตัวนะแต่ไม่ใช่ว่าเราเราไม่เห็นความทุกข์นะเราก็เห็นความทุกข์นั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าความทุกข์มันทําอะไรเราไม่ได้นะอย่างสมัยก่อนเราจะมีความทุกข์ในหลายอย่างนะไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นทางกายและอทางใจทางกายเราก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บเราก็มีความทุกข์แต่ตอนหลังแล้วก็เห็นเออไม่เป็นไรนะมันทุกข์ก็ทุกข์ไปโอเคจบ นะมันไม่ได้ไปต่อเนื่องยาว่าเราจิตเราต้องมีความทุกข์เหมืออาจารย์กำพลแต่ไหมจริงๆแล้วถ้ามีความทุกข์มากกว่าเราเยอะแต่ท่านก็ยิ้มแย้มจำใสนะ่มีคนไปเยี่ยมซึ่งเป็นคนแข็งแรงแต่ว่ามาหาคนคนป่วยอ่ะคนเจ็บมาคนเปน็นอามพาตเนี่ยจริงๆถ้ามีความทุกข์กว่าเราแต่ว่าท่านกลับแก้ทุกข์เราได้นะเพราะว่าใจท่านไม่ได้ป่วยนะเพราะฉะนั้นการที่เราป่วยทางกายก็คือเราใจเราป่วยด้วยไหมใช่ไหมถ้าใจเราป่วยด้วยไหมนั่นแหละเราก็ยังไม่เข้าถึงธรรมะ เพราะโบยก็คือป่วยกายไปแต่ในขณะเดียวกันเราป่วยใจนะมีความทุกข์ทางใจเราก็เป็นผู้ดูเข้าไปนะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเป็นผู้ดูความทุกข์มันก็เบาลงไปตร ง, ตรงเยอะแล้วนะเพราะมันมันความทุกข์ในใจเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็แก้ด้วยธรรมะได้นะแก้ด้วยธรรมะเนี่ยไปแก้ความทุกข์ทางใจโดยตรงจากการที่เรารู้ทันสิ่ ง, งต่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ไปยึดถือปล่อยวางไปอนะ จากจากชีวิตที่เราเคยยึดมั่นต่างๆมากมายนะเพราะเรารู้ไม่ทันจิตเราเนี่ยมันชอบไปยึดอยู่แล้วนะใครมาทําดีกับเราใครมาเมตตาเราเราก็เราก็ไปยึดเขาไปเกิดความยึดเขาใครมาทําไม่ดีกับเราเราก็ไปยึดเขาเหมือนกันนะยึดในทางไม่ชอบนั่นแหละมันจะมีการยึดตลอดเวลานะเพราะตรงนี้มันเรียกว่าเป็นสัญญาสัญญาคือ ค, อความจําเกิดขึ้นนะ <c oughs> สมมุติว่ามีคนปรากฏขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่เป็นคนที่สวยเราก็รู้สึกเออเราชอบใจแต่มันไม่ได้ชอบใจลึกซึ้งเนาะหรือใครที่มาทำไม่ดีต่อหน้าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใจแต่มันไม่ได้ ช, ชอบไม่ไม่ชอบลึกซึ้งแต่ในขนาดเดียวกันคนที่เราโกรธนะในอดีตเราโกรธม <c oughs> ากๆแล้วก็มาปรากฏต่อหน้าเราเราจะมีความไม่พอใจมีความโกรธลึกซึ้งนะหรือคนที่เราเคยชอบมาก่อนนะมาปรากฏต่อหน้าเราเราจะมีความรักหรือความชอบลึกซึ้ง ตรงนี้เห็นไหมการทํางานของใจมันเป็นการดึงสัญญาเก่าขึ้นมาทําให้อุบทานมันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอุบทานที่มันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นความยึดติดของใจอุบทานนี่เป็นเหตุเราต้องไปเกิดใหม่น ะ, อ, ะอย่างที่ในปฏิจจารคุบอกว่าปฏิจจารสมุกบาทบอกว่าเมื่อมีผัสสะคือตาเห็นรูปเนี่ยมันจะเกิดเวทนาเวทนาเป็นปใจใัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นใจใเกิดอุบทานอุบาทันเปนปใจใัจจัยเกิดพบเกิดชาตนะิเพราะฉะนั้นจิตใจเราสังเกตได้ไหมว่า มันมีอะไรลึกซึ้งในใจกับเราเกิดขึ้นกับผู้ใดไหมใช่ไหมถ้าเราลึกซึ้งกับผู้ใดนั่นแหละเรามีอุปทานในคนนั้นกับสิ่งเหล่านั้นนะว่าะตรงนี้เป็นสิ่งเราต้องถอดถอนความลึกซึ้งนี้ให้ได้เขาเรียกว่ามันเป็นแค่สัญญานะคือจิตเราจะมีอยู่5อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งต่างๆที่มันลึกซึ้งมันคือสัญญาแล้วมันก็ไปปรุงแต่งเป็นสังขารต่อนะสังขารมันก็ไปปรุงแต่งให้เกิดเอาเบอรทานนะความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดตัณหา ต่างๆมามากมายนะมันเป็นการดึงสัญญาเก่าจากสัญญาคือความจําได้ไม่รู้แล้วก็เป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งต่อตรงนี้ถ้าเราเข้าใจกระบวนการของจิตแล้วมันจะไปปรุงแต่งไม่ได้นะเราเจอคนที่เราเคยรักมาในอดีตเราเจอใหม่เราก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเออแม้แต่มันจะมีความรักเกิดขึ้นก็เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดานะเรารู้ทันแล้วเราก็อย่าไปให้ค่ากับมันอย่าไปสนใจกับเข้าต่อมันก็จบในตรงนั้นแต่ถ้ารู้ไม่ทันก็จะปรุงแต่งเออไปคุยด้วยไปต่อ ต่ออะไรต่อสังขารเนีมันยาวยิ่งขึ้นนั่นแหละคือพบกืดชาตนะิเพราะตรงนี้เราต้องสังเกต จ, จิตใจใเราทันว่าเรามีอุบัติในสิ่งใดสิ่งที่เป็นอุบัติในใจเรานั่นแหละจะนำเราไปเกิดใหม่เพราะว่าผ่เศรษภูมินั้นก็คือเป็นการรองรับในสภาพจิตที่จะไปติดมีอุบัติในอะไรอยู่นะเพราะการบัติธรรมก็คือเราต้องสังเกตใจเราว่ามีมีความติดมีความยึดมีอุบัติในอะไรในจิตเรานะใหม่เราก็ต้องคอยสังเกตเขาให้ชัดเจนน ะ, อะพอหลังนั้นแล้วจิตจะทํางานเอง เมื่อสภาวะใดที่เป็นความปรุงแต่งที่มีอุปทานเกิดขึ้นที่รู้สึกมันผิดปกติมันจะรู้ทันแล้วมันก็จะวางลงอย่างรวดเร็วเลยตัวเขาเองแต่ตรงนี้มันต้องฝึกให้บ่อยๆนะสภาวะธรรมทุกอย่างมันต้องฝึกบ่อยๆแล้วมันจะเห็นสภาวะธรรมต่างๆเราเนี่ยมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะไม่เห็นแม้แต่มันเกิดขึ้นก็ไม่เห็นมันดับไปก็ไม่เห็นนะแต่เราจะไปตั้งใจไปเห็นมันก็ไม่ได้นะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ว่ามันค่อยๆเรียนรู้ไป มันจะไปบังคับให้เขาเห็นก็ไม่ได้มันเป็นการที่เราค่อยๆรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจิตมันต้องอาศัยการเห็นการรู้บ่อยๆนะมันจะเห็นความจริงว่าสภาวะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในสุดความยึดมั่นถือมั่นในขั้นแรกก็คือตัวเรามันจะลดลงไปก่อนนะมันจะเห็นเออตัวเรามันบังคับบัญชาสิ่งต่างๆไม่ได้เลยนะเมื่อบังคับบัญชาสิ่งต่างๆไม่ได้มันก็จึงมีแต่ความทุกข์ก็คือมันทนในภาวะเดิมไม่ได้ เมื่อมันทนนิพพานว่าเดิมไม่ได้มันจึงไม่เที่ยงเมื่อมันบังคับเช่นนั้นไม่ได้มันจึงไม่ตัวไม่ตนของเราตรงนี้เราจะเห็นตรงนี้ได้ได้ก่อนนะพอเราไปตัดรากก็คือตัดรากต้นไม้คือต้นไม้เราไปไปแค่ตัดกิ่งตัดก้านมันมันมันมันฆ่ามันไม่ได้หรอกมันต้องเติบโตต่อไปนะแต่ถ้าไปขุดรากถอนโคนมันมันก็ไม่โตมันก็ตายไปเพราะฉะนั้นรากรากและโคนมันคืออะไรคือตัวเรานี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน นะเมื่อความยึดมั่นในตัวตนนี้มันเบาลงไปแล้วไอ้ความที่มันยึดมั่นในสิ่งต่างมันก็จะเบาลงไปด้วยทำไมก็จะกลายเป็นว่าเป็ น, ปนการขุดลากถอนโคลนพบชาติอย่างแท้จริงนะเพราะมันจริงที่เรามากี้ที่เราสวดมานะสัพเพสังขารานิจาทุกขาสัพเพธรรมา น, น ต, ตาก็คือสังขารทั้งหลายมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกขธรรมะทั้งหลายก็มีแต่ความไม่ใช่ตัวเมตตนบังคับบัญชาไม่ได้นี่ล่ะคือกายและใจของเราทั้งหมดเลยนะ เป็นภาวะที่มันไม่ที่ยังเป็นทุกข์แล้วก็เป็นหน้าตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเรามาเข้าใจตัวเราอย่างลึกซึ้งในการที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะกายมันก็ไม่เที่ยงนะจิตก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์จิตบังคับบัญชาไม่ได้กายก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉนั้นมันก็จะสุบโดยตัวมันเองว่ามันจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราหลังนั้นมันก็จะวางทุกอย่างได้นะเมื่อมันวางแล้วเนี่ยความยึดติดก็จะหมดไปนะตรงนี้ก็คือขนทายความพ้นทุกข์ขนทายการปฏิภาณอยู่ตรงนนี้ะ เพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระนตายน้อมน้ ำ, นำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพน้นทุกข์ได้โดยเร็วพ่นทุกท่านเทิญ